พระบัญญัติภิกษุต้องอบัติปาจิตติเพราะนําเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลือนสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้96สมัยนั้นท่านพระชันนะถูกไตสวนอบัติท่ามกลางสงฆ์คิดว่าเมื่อเรานําเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งต้องอบัติจึงนิ่งเฉยทําสงฆ์ให้ลําบากบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิ